ในช่วงที่เรามาพูดคุยธรรมะกันอยู่เป็นประจำทุกวันท่านผู้ฟังก็มีคำถามต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้ส่งนี้ ถ้าเราฟังใคร่ครวนไปเนี่ยเราจะต้องให้มีความรอบคอบรัดกุมละเอียด ในเรื่องของธรรมะนั่นเองพระเจ้าเคยตรัสเอาไว้กับ 3-4 เดือนนี่แหละที่ป่ามหาวัณน์คือตอนนั้นพระอายุ 80 แล้วแล้วก็อย่าไปว่าคนที่อายุมากขึ้น เนตโปรงไม่เป็นอย่างนั้นคนอื่นอาจจะเป็นอยู่แต่ว่าตัวสมณสมุทรเจ้าเนี่ยเป็นลักษณะของสมณสมุทรเจ้าในที่ถึงแม้จะ เขา 4 นะ 1 ถามปัญหาเรื่องสติปัฏฐานทั้ง 4 ถามแล้วพุทธเจ้าก็คน 2 ก็ถามอีกนะถามคนละปัญหา 4 นี่ 4 นะตอบให้เกี่ยว 4 บทไม่ซ้ํากันนะเอาไปจํานะคนที่ e นะ, 3 ก็ถามอีกไหนถามทุกคนแล้วกันถามแต่เกี่ยวกับเรื่องสติปทาน 3 นี่ก็ 1 จําเสร็จแล้วมาถาม แล้วก็ของ 2 คนที่ผ่านมาด้วยซ้ํานั้นเป็นไปอยู่อย่างนี้ตลอด 100 ปีตลอด 100 ปีความเหน็ดเหนื่อยเว้นหมดปีนั้นบทเพียรชนะที่ 3 คนนั้นก็จะ เชี่ยวล้ำลึกซึ้งแทงตลอดในเรื่องสถิตปทานทั้ง 4 เนี่ยมีมาก เนี่ยคำถามนี้จะต้องจะต้องเตรียมไว้ก่อนมั้ยจะเตรียมคําตอบไว้ก่อนมั้ยในคําถามที่เขา ของรถในสมมุติว่าคนที่เป็นนักเร่งรถ ABS ไม่ ABS เกียร์นี้เป็นแบบไหนวาล์วเป็นแบบปรับองศาได้ การะเตรียมคําตอบไว้ล่วงหน้านั้นแต่ว่าคําตอบของคําถามนั้นจะแจ่มแจ้งกับเขาเองเหมือนเช่นเดียวกันกับพระเจ้าของๆอย่างตัวข้าพเจ้าเอง แต่พระพุทธเจ้านี่ไม่ต้องตระหนึมเนื่องจากปัญญาที่เฉียบแหลมมองไหว ก็ต้องยกให้พระเจ้าองค์เดียวนะเป็นผู้ที่สามารถตัวข้าพเจ้ารับไปบุญทำไม่ได้ พระภันทราจะกลับไปฟังที่คําสอนเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่พระคือมาอธิบายให้ฟังนะมาทําหน้าที่ของพระสงฆ์ในการ อะไรเพราะตัวเราเองไม่สามารถกําหนดบทเป็น นะตัวเองสามารถในการปฏิบัติในการปฏิบัติของตัวเองนะอธิบายก็สิ่งอธิบายสิ่งที่ตัวเองรู้ ความสามารถตรงเนี้ยเป็นของสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นเองแม้ตัวท่านฟังเองก็คงจะต้องเอ่อเค้าเรียกว่าระลึก หลังจากที่พระองค์ปรินิพพานไปโอ้เป็นความชิบหายอันใหญ่หลวงของสัตว์ทั้งหลายนะถึงแม้ว่าคําสอนที่ทิ้งไว้ให้ก็จริงอยู่มีอยู่ดีอยู่ถูกอยู่ แล้วก็มีเนื้อนาบุญนะคือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่นะเรายังมีคําสอนของพระผู้เจ้าเหลือไว้เป็นศาสดาอยู่แต่เพราะนั้นตั้งแต่ๆขึ้นกว่านี้ไม่ อ่าเดี๋ยวนี้มี Facebook Twitter Instagram โอ้อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่าวมันมันเข้าถึงใจ นะมีคอมพิวเตอร์มีอีเมลนะเค้าส่งมาส่งมาอยู่ในอีเมลกองๆอยู่ในโทรศัพท์มือถืออ่านก็มีไม่ได้อ่านก็มีนี่ๆๆ แปลว่ายังไงให้เข้าไปในใจนะก็ 5 อะไรต่างๆๆใน อ่าผู้ชาวก็ใช้ศัพท์จะเรียกว่าน้อมเข้ามาสู่ๆท่านผู้ฟังนะเรื่องศีลง่ายๆถ้าเรารู้ว่า เราไม่ได้ติเตียนแบบว่าฉันมันบุญน้อยวาสนาน้อยทําไม่ได้หรอโอ๊ยมันสูงเหนือไปไม่ใช่อย่างนั้นนะ <Cub clone> <wonderful> เพื่อที่เป็นกําลังใจให้เราในการที่จะปรับปรุงตัวเราเองให้ดีขึ้นได้ถ้าเราไม่ยอมรับว่าเรา พยายามที่จะไคลครวนเนี่ยตรงนี้เป็นกระบวนการที่เรียกว่านําธรรมะ มันมีที่ลึกกว่านั้นบางคนนั่งสมาธิมาโอ้จิตลงลงหือพระอรหันต์ยังมีที่ลึกไปกว่า นะแต่ว่าไอ้ความสามารถคือเรื่องศีลสมาธิปัญญามันทําให้ดีขึ้นได้นะแม้ถ้าเรายังมีเป็นทางให้ไม่นะนะ นะ, นะ, นะ, 80 รูป นะเอ่อ 80 รูปอัครสาวก 2 รูปนะก็จะมีระดับของศีลสมาธิปัญญาไม่ที่ดับกิเลสนั้นแต่ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็มีจะ จากวัดป่าดอนไฮโซ